แนวอธิบายอริยสัจโดยสังเขปอัทธกถาที่เคยอ้างคือวิสุทธิมักสัมโมหวิโนธนีและสัทธธรรมประปกาศนีได้เปรียบเทียบอริยสัจสีไว้เป็นข้ออุปมาในยะต่างๆมีบางข้อน่าสนใจเช่นข้อกทุกข์เหมือนโรคสมุ ท, ทยัย